22. โยนิสโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในที่สำคัญวงเล็บเปิด9้ามีนาคม25นห้าเวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที19วงเล็บปิดมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วหลวงปู่เทศย้า ย, ายไปอยู่ถ้ำขามหาครูบาอาจารย์ที่คุ้นเคยไม่เจอนะสงสัยว่าเราภาวนาเราเห็นสภาวะเกิดดับอยู่ทั้งวันเลยเห็นอยู่ตรงนี้นะ ครูบาอาจารย์ทุกๆองค์บอกว่าไม่มีทางเดินมากกว่านี้แล้วเมื่อจิตเราสามารถมีสติรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏตรงตามความเป็นจริงลงเป็นปัจจุบันไม่มีอะไรจะต้องทำมากกว่านี้แต่สงสัยว่าทำไมมันค้างอยู่ตรงนี้เป็นปีๆไม่เห็นมีพัฒนาการอะไรให้ชื่นอกชื่นใจเลยก็แค่มีสติรู้ทุกวันนะรู้อยู่อย่างนั้นแหละสงสัยมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งไปหาอาจารย์มหาบัวที่ในวงเล็บวัดป่า บ้านตาดตอนนั้นคนไม่มากขนาดนี้หรอกท่านยังอยู่ที่ข้างบนศาลาของท่านเป็นไม้นะนั่งข้างบนก็คลานเข้าไปข้างหลังท่านนะไปบอกท่านขอโอกาสครับท่านหันมามองแวบหนึ่งจิตท่านไวมากเลยท่านมองแวบนะท่านสํารวจเราเรียบร้อยแล้วท่านบอกเดี๋ยวเรายังไม่ว่างนั่งรอไปก่อนท่านก็รอพูดกับพระพูดอะไรนะเสร็จแล้วท่านก็ฉันข้าวเสร็จท่านก็หันมาคราวนี้ว่ายังไงว่าไป บอกผมดูจิตอยู่ทุกวันทุกวันเลยทำไมมันไม่ผ่านตรงนี้สักทีมันเหมือนเดิมมาเป็นปีๆแล้วเห็นเกิดดับอยู่อย่างนี้แหละไม่เห็นมีอะไรให้ชื่นอกชื่นใจขึ้นมาเลยท่านบอกว่าไอ้ที่บอกว่าดูจิตอยู่นั่นนะ่ะดูไม่ถึงจิตที่แท้จริงหรอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านตรงนี้มาด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หรอกเราก็กราบท่านนะท่านพูดแค่นี้มาพิจารณาเอ๊ท่านให้บริกรรมเรากลับมาบริกรรมใหม่ ตอนนั้นหลวงพ่อทิ้งสมถะไปนานจเจริญวิปัสสนาจนลืมสมถะไปมาพุโทโธพุโทโธนะพุโทโธสองสาคำนะรู้สึกความทุกข์มันท่วมขึ้นมาเลยจิตใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์กระสับกระสายวุ่นวายไปหมดเลยจิตมันไม่เอาพุโทโธจิตมันรู้สึกว่าการบริกรรมเนี่ยเป็นการสร้างภาระเอ๊จิตไม่ยอมเอาพุโทโธนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ครูบอาอาจารย์บอกก็ต้องซื่อบื้ออย่างนั้นนะ เราก็มาสังเกตว่าทาไมท่านบอกให้เราบริกรรมสังเกตไปสังเกตไปจิตใจเราไม่ตั้งมั่นนั่นเองเวลาไปรู้สภาวะนะมันไปรู้อยู่นอ ก, น, อก น, อนู้นมันไปอยู่ข้างนอกไปดูอย่างนี้ก่อนที่มันจะไปอยู่ข้างนอกนะไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านบอกว่าเข้าไปข้างในมากไปออกมาอยู่นอก น, อกนี่ก็เลยมาอยู่ข้างนอกนะ ตอนที่จะเข้าไปข้างในนะไปเรียนจากหลวงปู่ดูลท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราก็ส่งเข้าข้างในส่งเข้าข้างในนะหลวงปู่สิมบอกเฮ้ยออกมาอยู่นอกๆ น, นี่เราก็ออกมาอยู่ข้างนอกนอกมากไปอีกแล้วอาจารย์มหาบัวบอกให้บริกรรมเข้าไปให้มันถึงฐานหลวงปู่เทศท่านก็บอกให้เป็นกลางเอาไว้จริงๆไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ละองศ์สอนผิดนะเรามันโง่เองคือท่านบอกสภาวะที่เราติดตอนนั้นให้เราไปทําตามที่ท่านบอกก็พ้นแล้ว เรายังทำเวอร์ไปเรื่อยทำไม่เลิกท่านบอกเข้าข้างในมากไปเราก็ออกข้างนอกไปเรื่อยๆไม่รู้จักเลิกเราทำผิดเองนั่นแหละฉะนั้นบางทีถ้าไม่มีโยนิโสมนัสิการสังเกตตัวเองไม่ออกก็ต้องอาศัยกายานามิตรอาศัยครูบาอาจารย์บอกให้แต่อาศัยครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่พอครูบาอาจารย์เป็นแค่ปัจจัยภายนอกนะโยนิโสมนัสิการเป็นปัจจัยภายในสองอันนี้สำคัญมากเลย ถ้ามีทั้งสองอย่างก็ดีที่สุดถ้ามีอย่างเดียวมีโยนิสโสมนัสิการสําคัญลําพังครูบาอาจารย์บอกก็พร้อมที่จะหลงผิดได้เรื่อยๆฉะนั้นสําคัญมากนะโยนิสโสมนัสิการช่วยตัวเองด้วยการสังเกตใช้ความสังเกตเอาจิตใจเราไปติดข้องอะไรไปค้างไปคาอะไรอยู่ให้รู้ทันไปเรื่อย